คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของความเฮี้ยนของวิญญาณที่โค้งเขาจันนะคะซึ่งอยู่ในเขตของอําเภอม่วงเล็กจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งตอนนั้นสมัยก่อนนู่นเนี่ยยังเป็นถนน2เลนก็คือรถวิ่งสวนกันแล้วก็เป็นทางลงเขาถ้ามาจากทางโคราชนะคะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาถ้ามาจากทางสระบุรีค่ะเส้นทางนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นช่วงที่เป็นโคง้ง กลางมอแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นประจำเพราะว่ารถเนี่ยเบรกไม่อยู่ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นถนนเลนเดียวก็ยังมีอุบัติเหตุเป็นบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณสุวิทย์ค่ะ ตั้งแต่ประมาณปี 2,502 ซึ่งในขณะนั้นคุณสุวิทย์เองก็ได้เรียนหนังสือในภาคคำ่ำคือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ค่ะเรียนตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นการเรียนประจำนะคะซึ่งต้องปั่นจักรยานไปเองค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันอีก3าคนก็มีจักรยานกัน คนละ3าคันเนี่ยคือ3มคน3าคันเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็ส่วนมากนะคะก็คือเลิกเรียนแล้วจะยังไม่กลับบ้านทันทีนะจะต้องหาที่เที่ยวตามงานต่างๆตามประสาวัยรุ่นในยุคนั้นนะ่นะคะไม่ว่าจะมีงานที่ไหน จะต้องเห็นสามหนุ่ม3ามุมนี้แน่นอนเลยถ้าระยะทางไม่เกิน10กิโลคือ3คนเนี้ยก็จะปั่นจักรยานไปเองค่ะและเมื่อถึงที่งานก็จะแยกย้ายกันไปเที่ยวเมื่อเจอสาวๆก็จะนัดการกลับเวลาประมาณตี3เป็นประจำค่ะก็เที่ยวกันอยู่แบบนี้ประมาณ3ปีก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปี2522 ซึ่งเป็นเดือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้มีงานค่ะซึ่งห่างจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็เป็นวัดที่ติดกับถนนมิตรภาพซึ่งเป็นงานฉลองรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 3คนนี้ก็นัดแนะกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะว่าเลิกเรียนเนี่ยจะต้องไปเที่ยวที่งานนี้ให้ได้แล้วก็ไปกันค่ะพอไปถึงงานปุ๊บแยกย้ายกันเที่ยวเหมือนเดิมจะมาเจอกันเวลาประมาณตี3ามถ้าเกินนี้ให้พวกที่มาก่อนกลับได้เลยซึ่งโดยปกตินะคะ่ะคุณสุวิทย์เนี่ยจะเป็นคนที่กลับทีหลังเพื่อนเสมอเพราะว่าคุยเพลินคุยกับสาวๆเพลินไปแล้วก็ไม่มีนาฬิกานะคะซึ่งเวลาเลิกจากคุยสาวๆแล้วเนี่ย ก็จะออกมาที่ประตูวัดก็จะถามคนงานว่าคนในงานวัดเนี่ยว่ากี่โมงกี่ยามนะคะซึ่งเขาก็จะบอกมาประมาณว่าตีสี่ประมาณนี้ซึ่งเพื่อนๆก็กลับกันหมดละก็เลยต้องกลับคนเดียวค่ะคุณสุวิทย์ปั่นจักรยานมาได้ประมาณ3กิโลก็มีคนเดินลงจากโค้งเขาจันทร์ซึ่งปกติคุณสุวิทย์เป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีนะ แต่เมื่อคนคนนั้นเนี่ยเดินห่างจากคุณสุวิทย์ประมาณ5เมตรถึงรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่คุณผู้ฟังคะแสงไฟจากรถจักรยานเนี่ยไปปะทะกับชายคนนั้นเต็มๆด้วยความที่ความสว่างของไฟแล้วก็ระยะที่ใกล้กัน5เมตรแค่นั้นเองเจอเลยค่ะ มีแต่แข่ะมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่มีแขนด้วยชายคนนั้นก็ยังแยะยิ้มให้ด้วยนะคะคุณสุวิทย์ตกใจจนหมดสติล้มเลยนะคะตรงนั้นเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รุ่งขึ้น คุณสุวิทย์เองก็ยังได้ทราบข่าวนะคะว่าที่โค้งแห่งนั้นเนี่ยมี10บล้อชนคนตายเยอะมากแล้วก็ผู้ที่ตายนั้นเนี่ยแขนขาดทั้งสองข้างด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะคุณสุวิทย์บอกว่าโอ้เที่ยวกลางคืนจะไม่ยอมหนีจากเพื่อนเลยจะต้องอยู่กับเพื่อนนี่แหละไม่ยอมห่างกันไปไหนเลยแล้วก็เวลากลับเนี่ยจะต้องกลับพร้อมเพื่อนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณสุวิทย์ส่งมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของผีที่โค้ง โค้งเขาจันทร์นะคะที่จังหวัดสระบุรีนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าขับรถบรรทุกหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆที่จะต้องผ่านที่แห่งนี้น่าจะได้ยินกิติศัพท์เป็นที่ร่ำลือกันเป็นประจำแหละน ะ, ะาหรับโค้งนี้พูดถึงเรื่องของโค้งเขาจันทร์ที่จังหวัดสระบุรีกันไปแล้วทีนี้มากันทางด้านของภาคตะวันออกกันบ้างค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนั่นคือโค้งผาแดงคนในพื้นที่น่าจะารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโค้งนี้คุณแจ็คค่ะได้ไปวิ่งงานที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ขากลับประมาณตีสองได้ขับรถผ่านโค้งแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโค้งผาแดงแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยนะคะคุณแจ็คจะขับรถผ่านโค้งนี้ต้องชะลอรถเพราะว่าเนื่องจากเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ก่อนจะถึงโค้งนี่มันจะเป็นทางตรงค่ะแล้วก็จะมีโชว์รูมรถอยู่โชว์รูมหนึ่งระหว่างนั้นคุณแจ็ค ก, ก็ชะลอรถแล้วก็วิ่งเลนซ้ายอยู่ๆค่ะก็มีรถวิ่งแซงขึ้นมาทางเลนขวารถที่วิ่งมาทางเลนขวาอยู่ดีๆก็หักรถตกลงไปในร่องกลางถนนเมื่อคุณแจ็คเห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็รู้สึกงงมากค่ะแล้วก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าคุณแจ ก, ก็ได้ขับรถผ่านไปเพราะว่าตอนนั้นบนถนนมันมีแค่รถของคุณแจ็ค ก, กับรถคันที่คว่ำอยู่จึงไม่กล้าจอดลงไปดูพอกลับไปถึงกรุงเทพคุณแจ็ค ก, ก็ได้มานั่งคิดนะคะว่าคนเมื่อคืนเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าพออีกวันหนึ่งค่ะคุณแจ็ค ก, ก็กลับไปที่ชนบุรีอีกขากลับประมาณตีสอเวลาเดิมคุณแจ็คบอกกับตัวเองนะคะว่าถ้าวันนี้เจออีกแสดงว่าโค้งนี้มีจริงแล้วละ่ะคุณแจ็ค ก, ก็เลยขับรถมาเรื่อยๆนะคะ โดยก่อนถึงโค้งเนี่ยก็จะลอรถอยู่ที่เลนซ้ายแล้วก็มีรถนะคะแซงขึ้นมาจากเลนขวาคิดว่าน่าจะขับอยู่ที่ร2อแล้วค่ะปรากฏว่าพอเขาขับมาจนใกล้จะถึงโคง้งอยู่ดีๆนะคะรถก็แฉลบเข้าตรงกลางแล้วก็ตกลงไปในร่องกลางถนนอีกคุณแจ็คตกใจแล้วค่ะ คิดมากและ ว, ว่านี่มันคืออะไรทั้งทางที่เห็นอยู่ว่าขับมาดีๆแล้วโค้งแห่งนี้ก็เป็นโค้งที่แปลกมากเลยนะบางวันนะมีไฟนะบางวันไม่มีไฟจนถึงทุกวันนี้เนี่ยฮะแล้วเรื่องก็ผ่านไป3ปีปรากฏว่ามีเพื่อนของคุณแจ็คคนนึงค่ะนั่งรถมากับคุณแจ็คเพราะว่าคุณแจ็คเนี่ยทำงานเป็นเซลล์ขายรถก็เลยต้องวิ่งไปกลับอยู่บ่อยๆและก่อนที่จะผ่านโค้งนี้เพื่อนก็ถามคุณแจ็คว่าสารข้างหน้าเนี่ยคือสารอะไรคุณแจ็คก็ตอบว่าโค้งเนี่ย มันจะมีเสือใหญ่อยู่แล้วก็เป็นอ่าแล้วก็ที่ที่หนังที่มีหนังทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนเขาชอบบนหนังคือภาพยนตร์นี่ยคะแล้วเขาก็มาแก้บนกันเพื่อนคุณแจกก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าภายในสองปีได้เป็นผู้จัดการนะจะเอาหนังอ่าจะเอาเลือดมาถวายให้โค้งนี้คุณแจกก็เลยถามกลับว่าจะเอาเลือดที่ไหนไปถวายเพื่อนก็เลยตอบว่าเลือดข้านี่แหละ หลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งค่ะคุณแจ็คได้เป็นผู้จัดการจริงๆคุณแจ็ค ก, ก็งงเหมือนกันนะอายุ28ได้เป็นถึงผู้จัดการค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งแฟนของเพื่อนได้โทรมาบอกบอกพี่แจ็คพี่โอรถควา่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่ชนบุรีซึ่งก็คือเพื่อนของคุณแจ็คที่เป็นผู้จัดการนั่นเองนะคะพอคุณแจ็ครู้เรื่องอ่ะอีกวันหนึง่ง ก็เลยไปหาแล้วก็ถามเพื่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเพื่อนก็ไม่พูดอะไรแต่คุณแจ็ค ก, ก็สังเกตได้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยอยากบอกอะไรบางอย่างกับคุณแจ็คพอถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลคุณแจ็ค ก, ก็ได้มารับเพื่อนกลับกรุงเทพระหว่างที่นั่งรถกลับมาค่ะเพื่อนก็พูดว่าแจ็คข้ามีเรื่องอยากเล่าให้ฟังวันนั้นขากลับจะไปกรุงเทพประมาณสองทุ่มบนถนนไม่มีรถเลยนะ ก่อนจะถึงโคง้งสักประมาณกิโลสกิโลเนี่ยขับรถมาปกติก็เห็นคนเดินอยู่สองข้างทางคือยาวมากใส่ชุดขาวชุดดำกันทุกคนแล้ววันนั้นเนี่ยมันไม่มีไฟทางเลยพอขับมาใกล้จะถึงโคง้งหัวแถวที่คนเดินมันเริ่มจะเดินออกมากลางถนนเรื่อยๆก็เลยอจอดรถแล้วมันก็เหมือนกับมีคนกำลังถือลงแห่งานศพอยู่ มีเด็กผู้หญิงถือรูปอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองจากนั้นก็หันมาทั้งตัวปรากฏว่าคนในรูปเนี่ยมันเป็นรูปของข้าเองข้าก็เลยรีบถอยรถทันทีแล้วรถมันก็เลยตกลงไปในร่องกลางถนนจนควา่าแล้วคุณแจ็ค ก, ก็ได้ถามต่อไปเนี่ยว่ามองเห็นวันมรณะในรูปหรือเปล่าเพื่อนก็เลยได้ตอบว่าวันเกิดข้าถูกแต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าจะตายวันที่21ธันวา คุณผู้ฟังคะปรากฏว่าวันที่21ธันวาค่ะเพื่อนโทรมานัดทุกคนที่รู้จักรวมทั้งคุณแจ็คด้วยว่าพรุ่งนี้ให้มาฉลองกันจนเวลาสี่ทุ่มของวันที่21ทธันวาในขณะที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นี่แหละเพื่อนก็ได้หยิกขาของคุณแจ็คแล้วก็พูดว่าข้าไม่ตายแล้วก็คือคุณโอนี่แหละนะฮะเป็นคนหยิกพอดึกเข้าไปหน่อยคนเริ่มทยอยกลับประมาณห้าทุ่ม 40, คุณแจ็ค ก, ก็เลยขอตัวแล้วก็ขับรถกลับ จากนั้นไม่ถึง15นาทีแฟนของเพื่อนก็โทรมาหาแล้วบอกพี่โอหกล้มในห้องน้ําหัวไปฟาดกับที่วางสบู่เลือดออกเต็มห้องน้ําเลยคุณแจ็ค ก, ก็เลยต้องรีบวนรถกลับไปหาเพื่อนทันทีค่ะพอไปถึงที่บ้านนะคะก็เห็นพ่อตาของเพื่อนเนี่ยอุ้มเพื่อนออกมาในลักษณะคือคอพับเลือดไหลไม่หยุดคุณแจ็คคิดในใจว่าไม่รอดแน่และจากนั้นก็เลยเอาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องโค้งผาแดงแห่งนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมีคนร่ำลือกันเยอะมากบางคนเน้่เห็นเป็นช้างเป็นมา้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่บ้างค่ะวิ่งข้ามถนนไปๆมามาบ้างหรืออาจจะเห็นในลักษณะของหมาดำใหญ่รวมไปถึงสมัยก่อนที่โค้งนี้มักจะมีการฉายหนังให้ผีดูเพราะได้มีการบนบานเอาไว้แรกๆนะคะก็มีคนไปดูหนังที่เขาเอามาฉายละค่ะพอระยะหลังๆคนก็เริ่มรู้จัก ว่าเขาเอาหนังมาฉายแก้บนคนก็เลยไม่กล้าไปดูจนไม่มีใครไปดูเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าหนังก็ยังคงถูกฉายอยู่แบบนั้นจนคนเรียกติดปากกันว่าฉายหนังให้ผีดูซึ่งเป็นประวัติของโค้งผาแดงเมื่อสมัยซัก1ิปีที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ ที่เมืองลำพูนนั้นนอกเหนือจากพระนางจามเทวีปถมกษัตรีศรีหริพุนชัยผู้โด่งดังซึ่งใครๆก็รู้จักแล้วนะคะที่เวียงลี้ยังมีเรื่องราวของกษัตริย์หญิงอีกคนหนึ่งค่ะมีพระนามว่าพระนางจามรีหรือว่าเจ้าแม่จามรี ใครที่นั่งรถผ่านถนนพ่อหนโยธินสายในเส้นเถินลีบ้านห้องก็ย่อมสังเกตเห็นอนุสาวรีย์ขนาดเล็กน้าวัดพระธาตุดวงเดียวซึ่งมองเผินๆค่ะชวนให้เข้าใจว่าเป็นพระนางจา ม, มเทวีนะคะแต่ว่าเมื่อเข้าไปอ่านป้ายใกล้ๆดูกลับเขียนว่าพระนางจา ม, มรีค่ะ ซึ่งคนต่างถิ่นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาร้อยทั้งร้อยเนะคะไม่งงก็ให้มันรู้ไปบ้างก็สอบถามว่าป้ายสะกดผิดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่สะกดผิดเนี่ยพระนางจามรีคือใครเป็นอีกนามหนึ่งหรือเป็นองค์เดียวกันกับพระนางจา ม, มเทวีใช่หรือไม่ เมื่อได้รับคำเฉลยว่าเป็นคนละองค์กันก็ยังมีปริศนาตามมาอีกค่ะว่าถ้าเช่นนั้นทั้งสององค์นี่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเหตุไหนจึงมีชื่อที่คล้ายกันสำทับด้วยความแคลงใจว่าทำไมรัฐโบราณตามชายขอบจึงนิยมยกผู้หญิงขึ้นนั่งเมืองโม้มากไปหรือเปล่าทีนี้เราเองก็ขออนุญาตนะคะที่จะนาพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาตอบคาถามว่าจามารีคือใครเป็นมาอย่างไร ก็จะขอไขปริศนาประเด็นที่ชื่อจามระหว่างจามมะเทวีกับจามมารีกันก่อนค่ะนักวิชาการหลายท่านลงความเห็นนะคะว่าจามอาจจะไม่ใช่ชื่อเฉพาะของกษัตริย์แต่ว่าเป็นตําแหน่งของนางพญาแม่เมืองก็เป็นได้ซึ่งภาษามอญโบราณพบคําว่าเจยามซึ่งแปลว่ามากรหรือจราเข้หมายถึงผู้มากับสายน้ํานะคะ เหตุเพราะการเดินทางจากละโวมายังฮาริพุนชัยของจามเทวีนั้นต้องเสด็จขึ้นมาทางชนละมาศหรืออีกในหนึ่งก็คือมกกร อ, อาจจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอำนาจแห่งกษัตริย์ค่ะส่วนภาษาล้านนาะยุคต่อมาคำว่าจามนะคะแปลว่าการรบพุ่ง อาจจะหมายถึงนักรบที่เป็นกษัตริย์ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งจามไมเทวีแล้วก็จามมารีกว่าจะได้นั่งเมืองต่างก็ต้องแสดงวีรกรรมฉกาจกล้าในการรบซึ่งไม่แพ้กันกับชายชาตรีอันที่จริงแล้วนะคะเจ้าแม่จามมารีของชาวลียังมีอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าเจ้าเจนเมืองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อไหนมาก่อน เคยชื่อเจนเมืองอันเป็นภาษาพื้นบ้านจนกระทั่งปกครองเวียงลี้จึงใช้ชื่อว่าจามตามอย่างกษัตริย์ทธธริพุญชัยโบราณหรือว่าในทางกลับกันจามมารีนี่อาจจะเป็นชื่อจริงแต่ครั้นเมื่อได้มานั่งเมืองก็เลยกลายเป็นเจ้าเจนเมืองค่ะคําว่าจามารีภาษาสันสกฤตนั้นหมายถึงสัตว์ประเภทเนื้อทรายที่พราหมณ์นิยมนํามาทําแส่นะคะก็คือนำเอาหางเนี่ยมาทําเป็นแส่เป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุพันธ์ค่ะ การถือแท่จามารีที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็นกษัตริย์มีในงานศิลปกรรมมาแล้วตั้งแต่ฟาโรของอียิปต์โบราณตลอดจนเมโสโปเตเมียและก็อินเดียค่ะเมื่อมองในแง่ที่ว่าจามอาจจะสะท้อนถึงชาติพันธุ์ที่มีบรรพบุรุษมาจากอาณาจักรจามปาหรือรัฐโบราณร่วมกับภริพุนชัยโดยมีศูนย์อนาจอยู่ที่เวียดนามแถบเมืองดานางังยาตรัง ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันซึ่งในกรณีนี้ของจามเทวีนะคะส่วนจามรีนั้นก่อนอยู่ลีก็เคยเป็นเจ้าหญิงจากหลวงพระบางซึ่งในอดีตยุคที่อาณาจักรสีโคตบองเรืองอำนาจดินแดนแถบรุ่มแม่น้ำโขงก็เคยเป็นเขตอิทธิพลภายใต้วัฒนธรรมจามปามาก่อนเช่นกันค่ะ ส่วนประเด็นที่ชื่อว่าจามที่พ้องกันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปก็ต้องค่อยๆสืบค้นกันอย่างลุ่มลึกไม่ใช่เอะอะก็เมารวมเอาว่าคนเขียนตำนานในท้องถิ่นเนี่ยเลอะเทอะนึกจะลอกเลียนกันก็ทําเอาดื้อความเป็นมาของจ้าแม่จามารีปรากฏอยู่ในเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องเล่ามุกปาเถะที่รับรู้กันเฉพาะชาวลี้จากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนแต่ทว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ในวงกว้างสักเท่าไหร่คะ่ะ ปราชาวลียืนยันถึงการมีตัวตนอยู่จริงของจ้าแม่จามรีจากเอกสารปั๊บสาที่คัดลอกต่อๆกันมาด้วยตัวอักษรธรรมล้านนาทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ฉบับน่าเสียดายนะคะที่ไม่ทราบปีพุทธศักราชที่บันทึกผิดกับเรื่องราวของจา ม, มเทวีซึ่งรสนาโดยภิกษุล้านนาราวพุทธศักราช 1,980 ถึง 2,50 แม้จะเขียนย้อนหลังจากเหตุการณ์จริงที่ผ่านไปแล้วถึง800ปีก็ตามแต่ก็มีในยะที่น่าเชื่อถือได้มากการเดินทางไกลของจามรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1800เนื้อหาสรุปได้นะคะว่าพระนางเองเป็นราชนิกุลเชื้อสายโยนกหรือว่าเผ่าพันธุ์ไท ย, ยวนนะคะซึ่งมาจากเมืองหลวงพระบางค่ะก็ต้องระหกระเหินหนีกองทัพจีนฮอก็คือมองโกในสมัยก่อนอพยพพาไพรฟ้าประชาชนไปตายอาดับหน้า ภายหลังจากที่พระราชบิดามันดาถูกผู้รุกรานปลงพระชนอย่างเหี้ยมโหดเจ้าหญิงจามารีเนี่ยก็แรมรอนหลบลี้อริอย่างไม่คิดชีวิตก็มีช้างชื่อพลายมงคลทำหน้าที่คอยเสียงทายเส้นทางในทุกสถานที่ว่าควรจะไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาควรขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยสุดแต่ช้างจะนาพาไป ก็ไม่ได้ต่างกันกันกบตำนานสูตรสำเร็จหลายฉบับที่นิยมการอธิษฐานจิตวางใจช้างให้มุ่งหน้าไปตามยถากรรมทั้งตำนานของพระแก้วมรกตและก็ตำนานของพระธาตุดอยสุเทพเขามูลเรื่องกลุ่มคนไทยลาวจากหลวงพระบางมาตั้งรกรากอยู่ที่ภาคเหนือนี้ เมื่อมีการตรวจสอบศักราชกับพงศาวดารลาวก็พบนะคะว่าในพุทธศตรวรรษที่19เคยมีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวหลวงพระบางซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าชวาค่ะแต่ว่าเป็นการระบุไว้นะคะว่าเป็นการอพยพเพื่อหนีโรคระบาดไม่ใช่หนีการศึกสงคราม ราชบุตรราชธิดาของกษัตริย์ขุนลอขุนบ ร, รมก็แตกสานสาัส้นเซนทิ้งเมืองลงผ่านมาทางน่านสุขโขทัยก็อยู่กลุ่มนึงและก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดตากเถินลีอันเป็นเมืองลีลับอีกต่อหนึ่งค่ะและก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเจ้าหญิงจามรีหรือเปล่านะคะก็ยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่ค่ะ ด้วยเหตุที่เส้นทางเสด็จของจามรีนั้นพิลึกชอบก่นจากหลวงพระบางแค่ข้ามโขงมาก็ถึงเชียงแสนแต่กลับย้อนขึ้นเหนือผ่านเชียงตุงไปถึงเชียงรุง่งเฉียดฉิวใกล้เขตพรมแดนจีนเข้าไปอีกเพื่ออะไรแล้วถึงจะลงมาเชียงแสน ทางเสด็จช่วงแรกนี้สร้างความหงุดหงิดให้แก่ผู้อ่านมากมายพอสมควรนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เจ้าหญิงออกจากเมืองหลวงพระบางใหม่ๆเนี่ยมีความตั้งใจจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติชาวโยนกที่อาศัยอยู่ในเขต12ปันนาอันเป็นเมืองมาตุภูมิของพระราชบิดาก่อนแต่แล้วก็ยังถูกกองทัพจีนห่อเนี้อรุกรานทาให้จาเป็นต้องถอยหนีกลับลงมาตั้งหลักในแถบลุ่มแม่น้าโขงที่เมืองเชียงแสนอีกครั้ง จากนั้นก็มุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำกกจนถึงเมืองฝางเชียงดาวก็ลัดเลาะแม่ระมิงมายังดอยหล่อแล้วก็กรีทาพลข้ามสายธาราไปยังอีกฝากหนึ่งอันเป็นเขตอาณาจักรหาริพุนชัยทางตอนใต้ซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอเวียงหนองล่องต่อเนื่องถึงแม่ทาทุ่งหัวช้างแล้วก็เข้าสู่ลีค่ะ แต่ละจุดที่ผ่านก็ได้ทิ้งร่องรอยให้เรียกขานชื่อบ้านนามเมืองเช่นจุดที่เหล่าบริวารเหนื่อยเดินหอบทีเปล่งเสียงออกมาว่าหุยหุยเทือกเขายาวลูกนั้นก็มีชื่อว่าดอยแม่อิหุยหรือขณะที่ช้างใ้เกิดดื้อนะคะไม่ยอมน้อมหัวต้องใช้ขอเหล็กกระทุง้งภาษาเหนือออกเสียงว่าตงค่ะที่บริเวณหัวช้างเนี่ยก็ทําให้ชื่อว่าตงหัวจ้างหรือทุ่งหัวช้างค่ะ ไม่ทราบว่าใช้ระยะในการเดินทางกี่ปีกี่เดือนกี่วันซึ่งก็ผิด ก, กันกับตำนานจามะเทวีนะคะที่ระบุชัดเจนว่าลงแพมาเจดเดือนก็ถึงลำพูนในที่สุดนะคะเจ้าหญิงจา ม, มารีก็หยุดอยู่ที่ชัยภูมิที่เหมาะสมซึ่งนั่นก็คือบริเวณวัดพระาธาตุดวงเดียวแห่งเวียงลีซึ่งก็เป็นจุดที่ช้างเลือกให้ก่อนที่จะสิ้นใจตา ย, ตายภายหลังจากที่ภาระของมันสิ้นสุดลง จากราชทิ่ดาหลวงพระบางกลายมาเป็นเจ้าแม่จามารีปฐมกษัตริย์แห่งเวียงลี้ในอดีตมีชื่อว่าเวียงกุมตรานะคะชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อเวียงดั้งเดิมของชาวลัวที่มีมาก่อนแล้วจากหลักฐานทางโบราณาคดีพบว่าเวียงลีหรือว่าเวียงกุมตรานี้มีร่องรอยคันน้ําคูดินกําแพงเมืองศิลาแลงรงเศษซากโบราณาสถานโบราณาวัตถุภาชนะเครื่องถ้วยลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์กล่นเกลื่อน แล้วก็มีอายุเก่าถึงช่วงต้นอนาณาจักรล้านนาหรือปลายหาริพุนชัยจริงค่ะสํานึกของคนเมืองลี้ซึ่งเรียกตัวเองว่าชาวลิในปัจจุบันนั้นไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลำพูนด้วยพื้นที่อําเภอเดียวที่มีขนาดใหญ่เกินครึ่งจังหวัดมากกว่าอีก7อําเภอที่เหลือรวมกันด้วยซ้ําและอีกอย่างหนึ่งนะคะยังเป็นดินแดนที่มีเสาหลักเมืองแยกออกมาเป็นเอกเทศ มีกษัตริย์ในท้องถิ่นเป็นของตนเองไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่จามะเทวีกษัตริย์เวียงลี้องค์ที่นั่งเมืองสืบต่อจากเจ้าแม่จามารีได้แก่เจ้าอุงุ่นเมืองเจ้าจองสูงเจ้าข้อมือเหล็กเจ้าปู่เหลืองและสุดท้ายคือเจ้านิ้วมืองามค่ะยุคเจ้านิ้วมืองามได้มีกองทัพสุขโขทัยเข้ามาบุกรุกโจมตีเผาเวียงลี้จนล่มสลายทําให้ผู้คนแตกกระสานสั้นเซ็นนะคะจนเวียงกุมตร้ร้างไปนานหลายศตวรรษ อย่างไรก็ดีค่ะชาวลิก็ยังคงภูมิใจกับราชวงศ์จามรีแม้เคยมีกษัตริย์ปกครองอยู่เพียงระยะสั้นเพียงแค่หกรัชกาลก็ตาม ทีนี้เรามาฟังเรื่องเล่าท้องถิ่นกันบ้างนะคะสู่ประวัติศาสตร์อุตสาคเนกันหากว่าคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้อย่างผิวเผินอาจจะรู้สึกนะคะว่าเป็นเพียงนิทานประประลาแนวยกยอฮีโร่แบบไร้เหตุผลดีไม่ดีอาจจะรับแรงบันดาลใจในการสร้างพล็อตเรื่องจากตำนานจามเทวีด้วยซ้ำเพราะว่ามีกลิ่นอายที่ละไม้กันเหลือเกิน นอกเหนือจากชื่อจามแล้วค่ะทั้งสองต่างก็อยู่ในฐานะที่ดากษัตริย์จากต่างแดนที่ต้องพลัดถิ่นระหกระเหินเดินทางไกลเหมือนมือนกันเพียงแต่ว่าองค์หนึ่งมาตามคําเชิญของฤาษีวาสุเทพที่สร้างเมืองรอไว้อยู่แล้วนะคะก็เลยค่อยๆเคลื่อนขบวนทางชนลมาศจากใต้ขึ้นเหนืออย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นหนีตายร้อนรนเสด็จมาทางสะทุมาศจากเหนือลงสู่ใต้อย่างไร้จุดหมาย น่าแปลกตรงที่ว่าเส้นทางเสด็จของทั้งคู่ต่างทิ้งร่องรอยชื่อบ้านนามเมืองไว้มากมายนั้นกลับไม่มีจุดไหนทับที่กันเลยค่ะเจ้าแม่จามเทวีมาตามลำน้ำปิงจากลบบุรีชัยน า, นาธนครสวรรค์กำแพงเพชรตากล้ฮอดจอมทองป่าซางแล้วก็เข้าที่ลำพูนค่ะ ส่วนเจ้าแม่จามรีเริ่มจากหลวงพระบางขอตัดเชียงตงุงเชียงรุ่งอันรุงรังทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่เชียงแสนฝางเชียงดาวดอยหล่อเวียงหนองล่องแม่ทาทุ่งหัวช้างและก็เข้าลีตามลําน้ําลี้ไม่ผ่านลี้ในส่วนของแม่น้ําปิงนะคะก็เลยสวน ก, นกันกับเส้นทางเสด็จของจามเทวีไปอย่างน่าอัศจรรย์ ข้อแตกต่างระหว่างนางพญาแม่เมือง2องค์นี้นี่ที่เห็นได้ชัดก็คือระยะเวลาค่ะยุคของจามะเทวีนั้นตรงกับพศ1200หรือสมัยธารวดีอันมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ละโวในขณะที่จามรีนั้นมีอายุอยู่ในสมัยฮาริพุนชัยตอนปลายต่อกับล้านนาตอนต้นห่างไกลกันจากยุคจามเทวีถึง600ปี ถือเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในห้วงเวลาที่รัฐโบราณภายใต้อิทธิพลมอญแล้วก็ขอมกำลังล่มสลายลงพร้อมๆกับการเปิดฉากภาพความเคลื่อนไหวของชาวไทยเผ่าต่างๆที่หลังไหลไทายเทหลบหนีการรุกรานของมองโกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสยามตอนบนตกอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่ 18-19 ถึงค่ะ เป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับเหตุการณ์ที่สำคัญช่วงที่พระยามังรายกำลังตีอาณาจักรขริพุญชัยแตกในปีพุทธศักราช1824เพื่อสถาปนารัฐไทยภาคเหนือโดยย้ายศูนย์การกลางปกครองที่ลำพูนไปอยู่ที่เชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลำพูนตอนใต้แถบลี้นั้นเป็นเขตปลอดจากอำนาจของทุกฝ่ายจึงไม่แปลกนะคะหากจ้แม่จามรีจะแอบซุ้มสร้างรัฐเล็กๆขึ้นโดยไม่มีใครตามมารุกราน เชื่อว่ายังมีวีรเตรีวีร บ, บุรุษในตำนานท้องถิ่นกระจายตัวอยู่ทั่วแผ่นดินสยามค่ะคนเหล่านี้ไม่เคยได้รับความเชื่อถือว่ามีอยู่จริงถูกเยาะเย้ยถากถา ง, างว่าเป็นเรื่องเสกสรรปั้นแต่งไร้สาระแต่ทว่าวันนี้หมดยุคที่นักวิชาการกระแสะหลักจะมาตั้งคำถามเค้นหาข้อเท็จจริงจากคนสามัญในรัฐชายขอบอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะ ในทางกลับกันค่ะควรหันมาสนใจอย่างกระหายใคได้รู้ในฐานะที่คนเล็กๆเหล่านั้นล้วนเป็นจิ๊กซอคนละตัว2ตัวที่ช่วยต่อยอดเชื่อมโยงให้เราเห็นภาพความเคลื่อนไหวในรอยโหว่ของรัฐเล็กเมืองน้อยที่เคยแหว่งวิ่นขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์รัฐชาติที่ผูกขาดความเป็นเจ้าของไว้โดยคนเพียงกลุ่มเดียวมาอย่างยืดเยื้อและซ้ำซาก